ต่อหนังสือไม่ต้องใช้ตัวหนังสือเมื่อกี้นี้บอกว่าวิธีสาธยายนั้นมีการท่องทวนทานนี่คือสำทับว่าต้องเอามาทานกันคือต้องมีการสอบทานหรือตรวจทานถึงเจอเรียนมาแล้วท่องแล้วทวนแล้วจำได้ก็ต้องเอามาให้ที่ประชุมยอมรับหรืออย่างน้อยเอาพระอาจารย์ที่มีความรู้แม่นยาชัดเจนมา ว่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้ยอมรับว่าถูกหรือผิดและแก้ไขได้ให้มั่นใจว่าถูกต้องที่นี้มาพูดถึงวิธีเรียนสมัยโบราณสักหน่อยเคยได้ยินไหมการเรียนแบบต่อหนังสือเป็นวิธีเรียนที่มีการสัทยายอย่างนี้วันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยเรื่องนี้หน่อยจะได้รู้ว่าในสมัยโบราณเขามีวิธีเรียนกันอย่างไรบางทีอาจจะได้แง่ที่เป็นประโยชน์ ที่เอามาใช้ในสมัยปัจจุบันที่เจริญด้วยเทคโนโลยีได้วิธีเรียนแบบต่อหนังสือเนี่ยตัวผู้พูดเองก็ไม่ทันนะแต่ทันได้รู้บ้างจากรุ่นหลวงพ่อที่ท่านถือคัมภีร์แบกคัมภีร์ไปต่อหนังสือหลวงพ่อนั้นท่านมรณภาพไป40ปีแล้วเมื่อมรณภาพนั้นท่านอายุ90ปีก็เป็นอันว่านับอายุท่านมาถึงเดี๋ยวนี้ก็130ปีเกินศตวตรรษ นี่ก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่รู้ชัดเจนมาโดยตรงเป็นการปฏิบติประต่อให้ฟังทีนี้คนรุ่นเก่าสมัยนั้นยังไม่มีระบบการพิมพ์ที่เจริญการพิมพ์หนังสือก็มีแล้วแต่ยังน้อยไม่แพร่หลายในการเรียนยังต้องใช้วิธีเก่าบางทีก็จานใบาลานเอามาสหรับตัวแล้วก็แบกคำภีไปหาอาจารย์และเรียนโดยใช้วิธีต่อหนังสือ ต่อหนังสือทำอย่างไรเอาอย่างนี้คือคำภีเป็นตัวช่วยเท่านั้นตัวอาจารย์นั่นแหละเป็นตัวหลักตั้งไว้ลูกศิษย์มาอาจจะคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆสองสามองเรียนกันแทบจะเป็นแบบตัวต่อตั ว, ตวลูกศิษย์มาต่อหนังสือมาถึงแล้วเริ่มต้นอาจารย์ก็บอกอุเทศก่อนอุเทศคืออะไรอุเทศก็คือตัวบทบทตั้ง หัวข้อหลักแม่บทเฉพาะอย่างยิ่งพุทธพจน์ซึ่งถือเป็นอุเทศเป็นแม่บทเป็นหัวข้อเป็นหลักที่เราจะต้องทำความเข้าใจพระอาจารย์ก็ตั้งอุเทศขึ้นมาถ้าอุเทศนั้นเป็นคาถาสั้นๆก็ว่าให้ฟังก็คือสาธยายนั่นแหละแล้วให้ลูกศิษย์สาธยายตามนั้นสาธยายให้ได้ให้ถูกต้องให้เต็มอย่างนั้นถ้ายัางไม่ได้ฉันยังไม่สอนต้องสาธยายให้แม่นก่อน ที่นี้บางทีอุเทศเป็นพระสูตรที่ยาวก็ต้องสะทยายกันเป็นสูตรเลยนี่เรียกว่าอุเทศคือตั้งตัวบทให้เป็นบทตั้งนี่คือต้องสะทายายเป็นการท่องจนจำได้ว่าได้แม่นยาพอได้อุเทศแม่นยาแล้วก็ไม่อยู่แค่ท่องไม่อยู่แค่จำเอาละ้นะเธอได้ตัวบทคืออุเทศสะทายายได้แม่นยาแล้ว ต่อไปก็ถึงปริปุชชาปริปุชชาแปลว่าซักรอบสอบถามซักกันให้ปริให้ปลุกโปร่ปรงกันไปเลยซักถามไปและอธิบายกันไปปุชชาแปลว่าถามเติมปริเข้าไปปริแปลว่ารอบหมายความว่าซักถามและฟังตอบชี้แจงอธิบายกันให้จนปลุกโปร่ปรงนี่ก็หมายความว่า อาจารย์อธิบายให้ฟังบรรยายชี้แจงว่าอุเทศที่ตั้งขึ้นมาเมื่อกี้นี้มีความหมายมีเนื้อความอย่างไรเอา้าถ้าสงสัยก็ถามมาตอบกันไปจนชัดเจนแล้วก็บอกว่าเอาละ่ะรู้เข้าใจดีแล้ววันนี้พอกลับไปได้และอาจารย์ก็นัดหรืออาจจะมีวันที่กำหนดไว้แล้วที่จะมาในครั้งต่อไปควรย้ำไว้เป็นสาคัญว่า ในการเรียนทั้งหมดนั้นต้องมีโยนิโสมนสิการรู้จักใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายให้สว่างชัดพัดปัญญาไปโดยตลอดและเมื่อกลับถิ่นไปที่วัดตัวเองก็สามารถสายายและโยนิโสมนสิการอีกเพื่อทบทวนและจะได้เกิดมีความรู้ความเข้าใจกว้างลึกทั่วตลอดเห็นรอบเห็นไกลยิ่งขึ้นไปจนถึงวันนัดก็มาหาอาจารย์ พอเริ่มครั้งใหม่อาจารย์บอกว่าเออฉันจะต่อให้เธอก็ต้องได้ของเก่าให้แน่ก่อนใช่ไหมถ้าของเก่าเธอยังไม่ได้จะไปต่อให้ได้อย่างไรล่ะนี่คือต่อหนังสือจะต่อก็ต้องได้ของครั้งก่อนแล้วเอาที่เรียนวันก่อนนั้นว่ามานี่คือต้องทวนของเก่าทั้งหมดอาจารย์บอกว่าเอาล้วนะอุเทศว่ามา ก็ว่าอุเทศให้อาจารย์ฟังเออใช้ได้ที่นี้ที่เธอว่าอุเทศมานิความหมายเนื้อความทั้งหมดของอุเทศนั้นเธอมีความเข้าใจอย่างไรว่ามาให้ฉันฟังลูกศิษย์ก็ต้องอธิบายสิว่าตัวมีความเข้าใจอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเออคนนี้ถูกคนนั้นไม่ถูกตรงไหนผิดถูกเป็นอย่างไร หรือเพื่อนนักเรียนที่ฟังอยู่ด้วยก็ช่วยกันตรวจสอบถ้าอาจารย์เห็นว่ายัางมีข้อที่ไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็บอกอธิบายแก้ไขทำให้ถูกให้ชัดจนกระทั่งแน่ใจว่าลูกศิษย์คนนี้จำได้รู้เข้าใจชัดเจนมั่นใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ต่อหนังสือคือให้อุเทศต่อแล้วก็ปร์ดีุด ช, ช้ากันต่อไป แต่ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจอาจารย์ก็ยังไม่ต่อหนังสือให้ต้องเอาอันเก่าให้ได้ก่อนจึงต่อให้ใจเห็นว่าวิธีศึกษาแบบนี้ค่อนข้างเป็นการเรียนตัวต่อตั ว, ตวเป็นวิธีศึกษาแบบเอาจิงเอาจังดังนั้นถ้าอาจารย์หนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญจริงๆ 2. เป็นคนเอาจริงในการสอน ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะให้เขาศึกษาได้จริง 3. ม, มีวิธีสอนที่ดีด้วยก็จะได้ลูกศิษย์ที่ดีที่เก่งมากเลยใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีศึกษาที่เรียกว่าต่อหนังสือที่นี้สมัยนี้เราไปไว้ใจเทคโนโลยีมากอย่าไปประมาทนึกว่าจะเก่งกว่าคนเก่าลองนึกดูว่า วิธีต่อหนังสืออย่างนี้ได้ผลดีไหมถ้าอาจารย์เอาจริงเอาให้แม่นให้รู้จริงให้คิดขยายและเห็นทางใช้ต้องไว้ใจได้จริงจึงจะยอมต่อให้ที่นี้เอาอย่างที่ว่านั้นลองมาเทียบกับเวลานี้ที่คนเรียนไปฟังกันเป็นร้อยหรือหลายร้อยบางทีไม่ได้เข้าถึงตัวอาจารย์แทบไม่ได้สื่อสัมพันธ์กันเทคโนโลยีนั้นช่วยได้เยอะ แต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขทำอย่างไรจะไม่ให้แพ้วิธีต่อหนังสือได้ต้องให้มั่นใจนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังพอที่จะเข้าใจเป็นอันว่าเรื่องสัจยายหรือสัจชายะก็ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งมาอยู่ในวิธีที่เป็นระบบของการต่อหนังสือนี้ เราก็นํามาใช้เป็นสําคัญในการรักษาพุทธพจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเน้นคณะสาธยายก็ทรงจํากันมาพระไตรปิฎกและคำพีทั้งหลายก็รักษากันมาได้ด้วยวิธีอย่างนี้แหละจึงมาถึงพวกเราโดยถือเป็นเรื่องสําคัญมากว่าจะต้องให้แม่นยำด้วยการที่จะต้องตรวจสอบที่เรียกว่าสอบทานกัน ในเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่มาสอบทานเอาคำพีมาเทียบกันแล้วก็มาตรวจสอบอ่านกันองนั้นอ่านของอักษรพรมา่าองนั้นอ่านของอักษรสิงหลนคนนี้อ่านของอักษรโรมันมาเทียบกันดูมีผิดกันต่างกันตรงไหนก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แต่ถ้าได้พระที่จำแม่นหมดทั้งพระไตรปิฎกก็ยิ่งดีใหญ่ มั่นใจยิ่งขึ้น